เรื่องของจิตท่านผู้ฟังเรื่องของจิตนี้เลยในในช่วงคุยธรรมะเราจึงจะจากวัดป่าดอนหายแล้วแล้วเรานั้นให้แจ่มแจ้ง เอ่อก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วแต่เพราะๆต้องทําความเข้าใจนั้นคือจิตเราโตมา กระบวนการขั้นตอนสิ่งที่เราอะไรมันยังไงบ้างนะอันดับ 2 คํานั่นคือหมายความ นิติแปลว่าการรับรู้นั่นเองในส่วนวิญญาณที่เรามาใช้กันในๆลอยไปลอยมาอย่างงี้ที่เพราะฉะนั้น ที่จะอธิบายธรรมะเนี่ยหมายส่วนอย่างที่ท่านผู้ฟังมารับรู้เสียงที่กําลังออกจากวิทยุเนี่ยหรือๆๆๆวิญญาณน่ะก็ทํางานเราเห็นภาพกําลังขับรถอยู่ๆๆนั่นๆ ฟังเสียงไปด้วยตาเราก็ดูไปด้วยนะใจเราก็นั่นๆๆวิญญาณก็อย 6 อย่างท่านผู้ฟังนะพุทธเจ้าก็อธิบายไว้ เนี่ยการเรารับรู้ทางใจเราจะอาจจะงงๆก็คือว่าการอะไรเข้ามาแสงไงแสงหรือรูปมีแสงตกกระทบรูปนะตกกระทบ ในมี 3 ประการทำให้ๆนั้นอย่างตามาตานี่คืออย่างที่ 2 ละและอย่างที่ 3 จิตนั่นก็คือไอ้เจ้า 3 อย่าง 3 อย่างนี้เอ่อหูก็เหมือนกันแต่ เอ่อจากเอ่อโสตวิญญาณในการรู้แจ้งทางหูนะ 3 อย่างเหมือนกันทีนี้ทางกายล่ะเราต้องมีผมคนเป็นต้นเอา ทางกายนั่นเองทีนี้จิตล่ะนี่แหละที่มันปน น่ะหมายความว่ามันอยู่ในเอ่อมันเป็นธรรมชาติที่ ก็คือจิตที่จะไปรู้ทางใจในความ นะผู้ที่เข้าไปรู้ลมๆมีอยู่ผู้ที่เข้าไปคือธรรมารมณ์ผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดเนี่ยมโนวิญญาณทั้งหมดนี่เกิดใน อันนั้นไม่ใช่จิตท่านผู้ฟังไม่ใช่จิตนะเป็นธัมมารมณ์นะธัมมารมณ์เป็นของเราหรือ นึกคือมโนนั่นแหละที่ทําหน้าที่เป็นในการรับรู้โดยทะเนิงเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในจิต แล้วเป็นตัวเราไหมแล้วเป็นตัวเรามั้ยคำตอบคือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงๆแล้วเนี่ยจิตเดิมคือว่าเอ่อสว่างสวย สว่างจ้านั่นไงเพราะฉะนั้นจิตเราที่มีความสว่างๆที่มันมากระทบแล้วเราก็ไปยึดถือด้วยความ ออกจากมโนวิญญาณแล้วก็ออกจากมโนได้เนี่ยอันนี้จิตคุณต้องมีผู้ที่เข้าไป เพราะฉะนั้นในมโนของเราเนี่ยในจิตของเราเนี่ยให้มันนิ่งๆให้มัน 1 ให้มันแบบว่ามีกําลังเนี่ยเราจะเห็นองค์ประกอบต่าง hmm. <Yeah. S 2> คิดว่าต้องเป็นจิตที่มีกําลังนะต้องเป็นจิตที่มีสมาธิต้องไปคิดนอกงานก็ นั่นนั่นการที่จิตให้เราเป็น 1 เนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญ ไอ้การจัดระบบให้เป็นระเบียบๆให้มันอย่างน้อยก็คือลงตัวบ้างให้มันมีความนิ่งบ้างให้มีความเป็นหนึ่งบ้างเรื่องอะไรเอาทีละเรื่องอย่างเงี้ยนี่ 7 อย่างเนี่ยนะจิตที่เป็น มันจะมีองค์ประกอบต่างๆใช่มั้ยธรรมะรวมตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆอ้าวมีสมาธิฐิมั้ยมีมีอยอยอยอย 7 อย่างนะ 8 เนี่ย 7 อย่างแรก นะหรือว่าเวลาทํางานคุณคุณจะระเบียบวิธีการคิดของคุณน่ะตอนนี้ทําแบบนี้ องค์ประกอบที่ทําให้จิตของเราเนี่ยค่อยๆที่จะพัฒนาไปณสู่ความเป็นสัมมาฟังนะมันคืออันเดียวกันนั่นแหละแต่ความละเอียดความลึกซึ้งมันก็ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าใครที่เอ่อมีสมาธิเนี่ยนะเลยเลย 4 เลยในอริยสัจ 4 นี่คือที่สุดละแบบว่าเป็นเรื่องที่พระนี่ที่ป่าเอ่อ 4 นี่ เนื่องจาก 5 นะสามารถปล่อยวางสิ่งที่ 1 ในการจัดระเบียบนี้มันต้อง ก็คือดันติตั้งนั่นเองดันติตั้งแห่งการระลึกถึงนั่น อันนั้นล่ะคุณจะเห็นตามนะคุณมีความจัดระเบียบความคิดทํางานต่างๆได้เป็นไปเพื่อปัญญาได้ท่าน